ครับสวัสดีครับครับผมเออตัวนี้เป็นอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยาแต่มันเป็นอาหารเสริมของเม็ดเลือดขาวอ่ะนะไปตัวเพิ่มเม็ดเลือดขาวให้กับร่างกายคุณภาพมันก็เหมือนยานั่นแหละแต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นยามีายา อ, อะไรเรียบร้อยอ่าเป็นแคปซูลครับถ้าเกิดจดเป็นยาแล้วคนธรรมดาจะขายไม่ได้แล้วที่สาคัญมันก็ผลิตจากอาหารด้วยมันก็ก็เลยจดเป็นอาหารเสริม มันก็สกัดจากนมแรกของแม่นะ่ะนมสามวันแรกอะนะสกัดเอาเฉพาะตัวภูมิคุ้มกันตัวข้อมูลที่แม่ส่งภูมิคุ้มกันไปให้กับลูกอะ่ะเขาเรียกว่าทานสเตฟเฟอร์เฟกเตอร์สกัดเฉพาะตัวเนี้ใยใส่แคปซูลอ่าตอนที่เรามากินมันก็จะเพิ่มไอเม็ดเลือดขาวแล้วก็ทําให้เม็ดเลือดขาวของเรารู้จักมะเร็งได้ทุกระยะแหละเพราะว่ามันคือมันระยะไหนก็แล้วแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมันก็จําเป็น จะต้องได้ในเลือดขาวอ่ะครับพร้อมได้ทุกระยะและครับขวดหนึ่งถ้าถ้าซื้อทีละขวดสำหรับผู้ที่ไปบารุงสุขภาพก็สองพันห้าร้ยเจ็สิบห้าบาทขวดหนึ่งเก้าสิบแคปซูลเนี่ยนะอ่าถ้าคนปกติก็กินวันละสามแคปซูลเช้าเม็ดเที่ยงเม็ดเย็นเม็ดก่อนอาหารหนึ่งชั่วโมง ครับแต่ถ้าเป็นการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยจะต้องกินอย่างอย่างน้อยๆ น, น่ะสามถึงห้าเท่าอะ่ะก็หมายความว่าจากวันละสามก็เป็นวันละเก้าเนี่ยถ้ารักษามะเร็งนะมันมีผลดีทุกคนนะครับเพราะมันคือเม็ดเลือด ข, ขาวของของผู้ป่วยเองเ่ยเม็ดเลือดขาวดีสุขภาพมันก็ดีตามอยู่แล้วเม็ดเลือดขาวเยอะมะเร็งก็ไปเร็วอยู่แล้ว แผู้ป่วยก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเองด้วยนะเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่อาหารหลักร่างกายจะฟื้นฟูจะแข็งแรงขึ้นมาได้เนี่ยมันจะต้องได้รับสารอาหารที่เรากินในทุกๆวันเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเนี้จะกินเข้าไปแล้วจะแข็งแรงฟื้นตังเลยไม่ใช่ออสามขวดซื้อสองแถมหนึ่งก็ห้าพันเก้าสามขวดห้าพันเก้าทนทนหนึ่งเดือนครับสามขวดก็หนึ่งเดือนพอดี การวัดผลเนี่ยมันจะวัดจากสภาพรวมของร่างกายเนี่ยนะเพราะว่าตัวเนี่ยมันคือเม็ดเลือดขาวมันจะช่วยทุกส่วนของร่างกายให้เราสังเกตทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนเรารู้สึกว่านอนลึกไม่เปี้ยไม่เพียแล้วก็ระบบขับถ่ายจะดีอย่างเงี้ยมันอันนี้มันเริ่มต้นที่ให้เราสังเกตว่าตัวเราดีขึ้นน่ยนะคือสภาพรวมของร่างกายดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยมะเร็งมันก็ต้องลดลงลดลงโดยโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว ก็ซื้อที่ผมนี่ละคบส่งทั่วประเทศครับอ่าส่งฟรีครับส่งฟรีครับส่งฟรีทั่วประเทศครับอ่าได้ครับได้ครับครับบีครับ